ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอย่างนี้ก็ในสมัยนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอัสสชิก็ครองสบงถือบาดและจีวรเข้าไปบินาบาตดในเมืองเวสาลีซาจกานิกรนาตบุตรที่เดินเที่ยวอยู่ในกรุงเวสาลีนั้นได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหา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 ข้าพเจ้าจึงจะปลดปเปลื้องพระสมณโคดมจากความเห็นที่เลวทามนั้นเสียได้ก็ในสมัยนั้นแลเจ้าลฤชวีประมาณ500องค์ประชุมกันอยู่นะที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นสัจจกะนิค น, นาตบุตรนามสกุลอกิเวสนะได้เข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นและได้กล่าวกับเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า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 และคำสั่งสอนของเราเป็นไปนในสาวกทั้งหลายส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละท่านรักรดมข้าพเจ้าขอแสดงอุปมาถวายท่านอาคิเวสนะขอท่านจงพูดเถิดท่านรกดมพืชพันไม้เหล่าใดเหล่านึงที่เจริญถึงความงอกงามไพยบู์พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดิน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 แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเชี่นน้ําที่เข้าใจผิดและกวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกะนิครนนาตบุตรผู้ถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้วแบบนี้สัจจกะนิครนนาตบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาท่าอีกเช่นั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าเลชวีนามว่าท um ุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้ว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 ซึ่งเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปยังอารามของสัจกะนิครน้าตรบุตรได้ประทับนั่งบนพุทาร์แล้วสัจกะนิครนได้นำของเคียวอันประนีตประเคนแก่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระมุขด้วยมือของตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสะเบยเสร็จแล้วทรงละมือจากบาทแล้ว